เราไม่ผักดันมันมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้อย่างที่เราเมื่อก่อนตอนที่เริ่มศึกษาเพราะทำคำสอนใหม่ๆ <c oughs> ก็ได้ศึกษาอยู่เกือบสามเดือนด้วยกัน <c oughs> ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเสียทีจนวันหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาถามตัวเองว่าเอเราก็เรียนมาพอสมควรแล้ว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 เราก็จะสามารถให้ใจนี้มีแต่ความสุขเต็มเปลี่ยมปราศจากความทุกข์นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและเมื่อเราได้รับความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจนี้แล้วมันก็จะอยู่อย่างถาวร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 พอเวลาที่ไม่สามารถหามาได้เวลานั้นก็จะไม่มีความสุขให้เสพก็มีแต่ความทุกข์ให้เสพนี่คือความสุขต้นและทุกข์ปลายถ้าเราใช้ลาบยศสรรเสริญใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมาเป็นเครื่องมือผลิตความสุขให้กับเรา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 ถ้ารู้จักวิธีผลิแล้วก็สามารถผลิตไปได้เรื่อยๆมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลำำําดับจนมีอยู่เต็มเปี่ยมภายในหัวใจแล้วก็จะไม่มีวันศูนย์ไม่มีวันดับพราะใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีวันศูนย์ไม่มีวนั น, วนดับการทํางานของใจการปฏิบัติธรรมของใจก็สามารถ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 อย่างเช่นพระโสดาบันนี้ท่านก็มีอนาคตตาชาติอยู่ไม่เกินเ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าเกิดท่านตายไปก่อนที่จะได้บรรลุ ธ, ธรรมที่สูงกว่าท่านก็ยังกลับมาเกิดได้กลับมาเกิดแล้วก็กลับมาบําเพ็ญต่อได้แล้วที่เราจะสามารถบรรลุ ธ, ธรรมขั้น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 จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนจะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดธภาได้เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เป็นอมภพกเป็นอมภาะเวลานั้นก็มีแต่ความทุกใจเพราะว่าความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรส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 ไม่มีอะไรที่จะทําลายตันหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้นอกจากการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนและได้ทรงปฏิบัติมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงทําลายตันหาความอยากต่างๆจากวัฏายจนหมดสิ้นแล้วด้วยการปฏิบัติ ทำที่ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกได้นำเอาไปปฏิบัติผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อน้อมเอาไปปฏิบัติก็สามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่จาจได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ท่านเหล่านี้ก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเราเหมือน ท, นท่านที่เป็นอยู่ในขณะนี้ท่านก็มีทุกเพศทุกวัยมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะผู้คลองเรือนมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ไม่จํากัดเพศจํากัดวัยเพราะการทำลายกิเลสตัณหานี้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 ยังรักความสุขความสบายจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถั่วอยู่ยังเสียดายยังไม่กล้าที่จะทิ้งมันไปกลัวเวลาทิ้งมันไปแล้วจะทุกข์ทรมานใจถ้ามันทุกข์ก็เป็นทุกข์ชั่วระยะสั้นๆชั่วระยะที่เรามา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 มันไม่ได้เป็นของที่ยากเย็นของที่เราไม่สามารถทําได้แต่อย่างใดถ้าเราทําไปแล้วมันก็จะทําได้อยู่กับมันได้อยู่กับความยากลําบากได้อยู่กับการอดอยากขาดแคลนได้ออดมือกินมือออดวันกินวันได้อดทีละสามวันอดทีละห้าวันก็อดได้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 ความสุขในระดับสูงสุดนี่เราไปอยู่กับสภาพของขอทานอยู่แบบตามมีตามเกิดอาหารการกินที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มยารักษาโรคอยู่แบบตามมีตามเกิดจริงๆได้อะไรมาก็ฉันไปตามที่ได้มามีเสื้อผ้าอะไร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 ถึงจะสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆได้ฉะนั้นใดการปฏิบัติเพื่อให้เกิดธรรมต่างๆเช่นสมาธิปัญญาวิมุติหลุดพ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้เปิดทางถ้ามีสติแล้วการนั่งสมาธิก็จะสงบใจก็จะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขา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 สิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขก็จะไม่อยากได้ก็จะตับความอยากได้สิ่งต่างๆไปลให้หมดไปจากใจได้เพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรนั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ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 เช่นพระอัญญาณโกนธัญญาเป็นบุคคลคนที่สองในโลกนี้ที่เห็นความจริงนี้นนต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาพอนำเามาสั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็เข้าใจทันทีคือพระอัญญาณโกนัญญะ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 ออกจากสมาธิมาก็จะเจริญปัญญาได้มีปัญญาก็จะละตัณหาความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆได้ได้บำลมมาสุขขึ้นมาได้นี่คือการปฏิบัติที่พวกเราต้องบังคับตัวเราเองให้ปฏิบัติให้ได้ถ้าเราไม่บังคับแล้วมันก็จะไม่มีวังที่จะปฏิบัติได้เมื่อบังคับได้แล้วมันก็จะบังคับไปได้เรื่อยๆถ้าไม่บังคับปล่อยให้เป็นไปตามบารม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 อนิจจังของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายให้มันเห็นว่าเป็นอนาาัตตาห้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราไม่มีส่วนไหนในร่างกายนี้ที่เป็นเราเลยเราไปยึดมันเองเหมือนกับเราได้อะไรมาเราก็ไปยึดมาเป็นของเราขึ้นมาทันทีได้ลูกมาก็ยึดว่าเป็นลูกของเราได้สามีก็ยึดว่าเป็นสามีของเรา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 การทำสมถภาวนาเราสามารถทําด้วยการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิเท่านั้นด้วยการบริกรรมหรือดูลมหายใจเพื่อทําใจให้สงบส่วนการทําวิปัสนาภาวนานั้นเราสามารถทําได้ในทุก อ, อิยาบทเพื่อพิจารณากฎไตรลักษณ์คือการทําใจให้สงบนี้ท่านั่งนี้จะเป็นท่าที่เหมาะที่สุด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 จะนอนหลับหรือจะทำอะไรก็ไม่เป็นปัญหาไม่ต้องทำงานเกี่ยวกับร่างกายได้การนั่งภาวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธินี้เพื่อให้ใจได้หยุดได้พักผ่อนใจจะหยุดพักผ่อนได้ต้องปล่อยร่างกายก่อนคือต้องไม่มาคอยควบคุมร่างกายถ้ายังเดินอยู่นี้ต้องคอยควบคุมถ้าไม่ควบคุมเดี๋ยวมันล้มหรือเดี๋ยวมันเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ การที่จะทําใจให้สงบในท่าเดินท่ายืนมันจึงยากกวา่าการที่จะให้มันสงบในท่านั่งจึงมีมีธรรมเนียมมีการปฏิบัตินั่งสมาธิกันเป็นหลักถ้าต้องการทําใจให้สงบพระพุทธรูปกับทุกรูปที่เราเห็นนี้จะอยู่ในท่านั่งเท่านั้นท่าของสมาธิท่าเดินท่ายืนนี้จะไม่สงบ หรือถ้าจะสงบก็ต้องมีเหตุบังคับให้มันสงบอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลวงปู่ชอบที่ท่านชอบเดินทุดงตอนกลางคืนว่าอากาศมันเย็นสบายไม่ร้อนท่านจะเดินทุดงตอนกลางคืนแล้วฉันใช้โคมไฟที่จุดด้วยเทียนเดินไปในป่าแล้วก็ภาวนาไปจเจริญพุโทโธพุโทโธไปจเจริญสติไปในหลังระหว่างทางเดิน แล้ววันหนึ่งท่านก็เดินไปจ้าเองกับเสือครองตัวหนึ่งพอทอตายเห็นเสือคลองจิตรู้ว่าเป็นเสือคลองปั๊บจิตมันก็รวบเข้าไปในสมาธิอะไมันรวมรวมเข้าไปเลยเพราะตอนนั้นมีสติคอยควบคุมถ้าไม่มีสติมันก็จะตื่นเต้นตกใจวิ่งวิ่งหนีกันโกลาหลแต่เพราะว่ามีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลา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 ไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่ในท่านั้นได้อยู่นานสักเท่าไหร่เสือก็หายไปไม่มีอะไรนี่คือการรวมเข้าสู่สมาธิของของจิตในท่าเดินมันต้องมีอะไรที่มาบังคับมันถึงจะลงได้อย่างเต็มที่แต่การเดินจงกรมแล้วทาใจให้สงบได้ก็มีเหมือนกันคือจิตก็รวมแต่ไม่รวมเต็มที่คือจิตสงบนิ่งเป็นเป็นอุเบกขาสักเท่ารู้ แต่ยังรับรู้ร่างกายรับรูเ้เวทนาที่เกิดจากการเดินอยู่แต่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนตอนที่จิตไม่ได้รวมจิตรวมแล้วรู้สึกว่าเดินสบายไม่เหมือนเดินบนบนบ น, บนนุ่นอะไรอย่างนี้เดินแล้วมันนิ่มมันสบายไม่เหมือนตอนที่มันไม่สงบนิ่มเดินบนพื้นแข็งแข็ ง, ขงมันเจ็บมันเมื่อยอันนี้ก็เป็นได้ถ้ามีสติต่อเนื่องจดจ่อ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 มันก็เลยจะทำให้รวมยากถ้า ถ, ถ้าถึงนิยมถ้าต้องการนั่งให้เจ็บรวมนี้มักจะนั่งในท่านั่งนั่งกันมากกว่าคำถามต่อไปจากคุณลิซ่าลูกทำการงานด้านจัดเลี้ยงโรงแรมซึ่งเลี้ยงไม่ได้ที่ต้องขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล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 ปัญหาอยู่ท <aufge> ี <Help mesmo> ่ว่าเราอย่าไปดื่มเองก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณป้าแมรี่อาธิสมานกายนี่คืออะไรคะก็ต้องไปถามไปถามหมอ google ดูเราก็ไม่รู้เหมือนกันสับแสงพวกนี้เราก็ไม่เคยใช้มาก่อน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 ไม่ต้องดูลมมันจะได้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วมันก็จะรวมได้ง่ายกว่าอยู่สองเรื่องบางคนชอบพุทธเข้าโทออกนี่มันก็เป็นสองไปละพุทธกับโทแต่ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะในเบื้องต้นจิตมันฟุง้งมันมีกำลังต่อต้านมากมันไม่ยอมอยู่กับเรื่องเดียวมันอยู่อยากจะอยู่กับหลายเรื่องก็เลยหาเรื่องให้มันอยู่หาพุทโทให้มันอยู่กับใจ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 ค่ะคือปกติหนูก็จะบริการมเป็นลักษณะพุดโธอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันจะมีบางช่วงที่จิตมันจะอืมมันจะขุนขึ้นมานิดนึงมันจะฟุ้งมากกว่าปกติหนูก็อาจจะเปลี่ยนคําบริกรรมบ้างอาจจะเป็นลักษณะสวดมนบ้างเงี้ยค่ะเดี๋ยถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นอาจจะเริ่มมีตัวความถูกเข้ามาที่คําบริกรรมพุดโทรหรือกาะสวดมนมันเอาไม่อยู่หรือก็จะ ต้องใช้การพิจารณาไปบ้างอะคะ่ะส่วนมาก ม, มันก็จะทำให้หนูตามพอจะสงบตัวโมรงาตัวแรงๆตัวนี้ได้เป็นชั่วคราวอะคะ่ะทีนี้การที่หนูมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลักษณะมีค่อนข้างค่อนข้างถี่อะคะ่ะตรงนี้นี่มันจะมีผลทาให้หนูไม่สงบด้วยหรือเปล่าคะด้วยการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก็ดูผลว่ามันสงบหรือไม่สงบถ้ามันสงบก็ใช้ได้ถ้ามันไม่สงบก็ก็ต้องพยายามใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเหมือนกับการกินยาเนี่ยก็ต้องหายาที่มันถูกกับโรคถ้ายาถูกกับโรคโรคก็หายถ้ายาไม่ถูกก็ต้องหายาไปเรื่อยๆคือส่วนมากเวลา ที่จะได้ผลที่สุดอะค่ะก็จะเป็นลักษณะที่มีตัวถูกเข้ามาแล้วหนูก็พยายามคิดเสนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วมันใี่ได้ผลที่สุดเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอืมก็ได้ผลก็ดีก็ใช้มันไปก็ใช่อย่างนี้ไปใช้ปัญญาเดินไปเรียกปัญญาอารมณ์สมาธิพอไม่มีความทุกข์เราก็พิจารณาร่างกายไปเรื่อย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 จะมีปัญหาในลักษณะนี้ครั้งหนึ่งอะคะ่ะช่วงที่พิจารณาไปแล้วอ่มันก็สงบไปแล้วพอช่วงหนึ่งรู้สึกว่าจิตมันเหนื่อยก็เลยลองอ่เป็นพุทธโธหรือว่าดูลมหายใจอะคะ่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเราจะดูเฉยๆเนี่ยมันกลายเป็นหนูรู้สึกแบบมันมีความคือเป็น ความคิดมันพุ่งเข้ามาไหลตัวมากความพร้อมกันนะคะเหมือนแบบมันจะไม่ยอมให้เราอยู่ยเฉยมันจะให้เราสวดมนต์นนไปก็สวดมนต์ไปพิจารณาต่อไปถ้ามันไม่ยอมอยู่ยเฉยก็พิจารณาทาต่อไปังกว่ามันจะเหนื่อยมันจะหยุดนะคราบแล้วมากราบขอบคุณค่ะกราแล้วเนี่ยคิดว่าพอสมควรแต่เวลา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 ดินนึ่ยดกี่ครั้งสองครั้งแล้วไค่ดินยประมาณแวันุดประมาณดั้ินยืองวันเลยประมาณนั้นนะออกะดิ่สันเ้าเยนกลับเช้าย็งกลับามีเช้าเยนกลับก็ใช้ก็ดิ่งกันแล้วแต่จะมีสัยาถ้าไปดินยาวก็จะยวันไม่เบื่อไม่เบื่อ ยังยังยังยังอล้าแล้วเป็นเหมือนปฏิบัติธรรมไม่เบื่อเลยถ้าถปฏิบัติธรรมแล้วยุไม่เบือ่อย่างนี้ได้ดเอาวเวดีเลยเจริญในการเพิ่มเสินปฏิบัติธรรมมันเป็นศุกต้นนะเดี๋ยวมันจะทุกปลายนะ คตอบจะทาบินไม่ได้แล้วจะทุกขไปนมีอะไรก็บอไม่มีแล้วเ็บได้ ญานี่ต้องังคับไม่ถูกบังคนี้ผิไปปฏิบัติราชกไปมันก็จะไปมันก็จะไปของมันนัก อาจารย์ั่นอาจารย์น้อยตอนที่ค่านอยู่บ้านตาจคัท่านอจน้อยมีรัอาจารย์น้อยที่อยู่ในการค่ะไม่เคยพบท่านเพาท่านออกไปก่อนแต่ท่านฟังว่าท่านจะยุบบุกเบิกบ้านตาท่านมอยู่ที่นทัพบุรีกับหลวงตาแล้วแล้วพอหลวงตาบอกให้กลับก็เลยกลับไปสร้างบ้านตาพอดีวันก่อนท่าน มาแวมาเยี่ยมไม่ไม่รู้จักกับท่านเลยจัไม่เคยพบท่านแต่เคยได้ยินเคยพบเคยได้ยินว่าหลวงปู่ขาวมีลูกศิษย์สองูปท่านอาจารย์บุญเพ็งกับท่านอาจารย์น้อยหลวงปู่ขาวมแล้วท่ า, ทานอาจารย์บุญเพ็งก็เลยไปอยู่ต่างประเทศแล้วท่านอาจารย์น้อยทีอยู่ต่างประเทศก็กท็ทราบคุณทนอยที่นี่ เป็นพระพระจันทร์วนมาสร้างไว้บนเขานี่ท่านก็มาจากวัดทั้งองค์เทย์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นรูปศิษของท่านจาันน้อยท่านก็เลยวะแบบมาดูสถานที่เป็นอย่างไรบ้างเพะว่าท่านคุณไรสส่งู้สอภาษาฝรั่งของท่านกันไปให้ท่านนะคะ เคยได้กาท่านเมือม่อเมื่อท่ลงมาตอนที่ท้อาเ็บทาบท่านไปอยู่ที่ลไหนโคจ่ะใช่เนาชาุรกัดเดียวว่าท่านเด็กเลอยู่ใกล้กันเกือี่ท่านด็เด็บบ่นเสซีดียืได้คนระับบาบ ก่อนา่าอาจารย์าเบจุณดุกยุสร้างวัดตาที่วัดตาบ้านสาย ท่านถานมว่ า, าเไไาเข้าไปเมื่อไหร่บอกเข้าเมนแปด้อกท่ายืนตั้งแตง <c oughs> งกเก้าปร <c oughs> ่กยอาจารย์เพียนอาจารย <c oughs> ์มีร่แุแรกคุณแม่แก้วอาจารย์สินทองรุ่นเข้ามั่นใจท่นดูแข็งแรงนะ <c oughs> ท่านทยังพอ ตอนเดนได้แทนทราบว่า hmm. ท่านไม่สบายมีจุรถามเอ้ยไมท่านให้ท่านอาจารย์องค์นั้นขึ้นมานั่งแทนของท่านเองล้กวันแอาจารย์ันนั่งตรงนี้แล้วเพระู้ไม่ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่มากสงสาย โครงการปฏิบัต <poverty matic> ิทํามนไ่้น่าจะจัดโครงการปฏิบัติทํากัได้แล้วเนี่ยไปอยู่วัดสวันเจวันกันก็ถ้าอาจารย์อยากให้แยกแยกแยกกันเนี่ยรวมรวมกันยึดมีกันเลยก็ไปไปไปที่ปฏิบัติทําแล้วก็แยกกันปฏิบัติ ต้องมีการ organize หน่อยถ้าไม่ organize มันก็ไม่ทำเลยแต่พอไปถึงที่ก็แยกกันไงให้หมวนแถวนี้จองที่พัก3วัน7วันไปแล้วก็มาจัดมาอยู่กันเงก็บเลย อันนี้มันไม่ก้าวหน้านะหัวไอ้ลุงกันมันก็ติดอยู่ตรงนี้อีกสิปีข้างหน้ามันก็อยู่ <c oughs> ไม่อยู่ตรงน <c oughs> ั้นมะานก็เหมือนอยู่วัดเลยวัช า, า, านปิดบ้านปฏิบัติเออได้อย่างั้นก็ดีไม่มีคนเลยเอออย่างนั้นก็ดีไม่ต้องออนกันน้ำี่ยังไม่ปฏิบัตินะต้องออกกันน้ำขนต้องมีหัวเรือ <c oughs> เป็นพวกเรือพว่วงขยัา <c oughs> มัน ไ, ไม่มีเรือลากมันไม่ไปกันเลยเป็นหัวหน้าเลยร <iz uk> ลากไปจากธรรบุญไม่ยอมลากไปภาวนาโทษผู้นำผู้นำก็ไม่ยอมไปอ่ะค่ะโดนเน เอานะพยายามาให้ได้นะต้องปฏิบัตินะยัไม่ไปนะถ้าปฏิบัติแล้วมันไปเดียวก็ถึงมันไม่พูดยังไงฟังเสียอาจารย์ง่ายๆ ก็พ MM. ูดโทรคำเดียวมันยากตรงไหนยังไหมมันไม่ยอมพูดโทรเองพูดโทหรแต่มันก็ไม่มันพูดโทรเลยท่านอาจารย์ชื่อถังข้าเกิดคนเราเกิดแล้วตายไปอาจจะไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธแต่เป็นศาสนาอื่นแล้วกลับมาอย่างนี้เป็นไปได้ไหมบิสไ เราจะไปเกิดที่ไหนข้างหน้าก็เหมือนกับเหมือนกับเราไปไปหาที่จอดรถเนี่ยข้างหน้าเราไปไปที่ศูนย์การค้าจะแบบที่จอดรถเราจะไปจากที่ที่เดียวกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่สําคัญถ้าเรารู้ว่าเราจะไปไหนเราก็ไปจากตรงนี้เราก็เดินไปที่เราต้องการไป แน่ใจของเรามีเป้าหมายอยู่มันไปเกิดที่ไหนเดี๋ยวมันก็ไปหาที่ของที่มันต้องการไปแม้เป็นฝ้าหลังมันยังมาที่นี่ได้ใช่จลาจลมากที่พูนะฉั้นขอตามให้มันมีอยู่ในใจของเราให้มีเป้าหมายอยู่ในใจของเรามันมันจะไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนมันก็จะไปตามเป้าหมายที่เราวางแล้วเราภาวนามันก็จะไปภาวนาของมันถึงเวลามันก็จะหาที่ภาวนาของมันเอง ถ้าไม่ภาวนาะมันก็ไม่ภาวนาะถ้ามันเที่ยวมันก็อยหาที่เที่ยวแล้ไม่สำคัญว่าจะเกิดที่ไหนลูกใช้วิธีวิธีอธิษฐานนะคะอาจารย์เมื่อก่อนเมื่อก่อนลูกก็ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างตอนหลังตอนที่ไปทําเจดียลูกก็เลยอธิษฐานว่ า, าตั้งแต่นี้ต่อไปเจะ ภาวนาทุกคืนไม่เว้นแม้ว่านาทีเดียวก็จะต้องภาวนาแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยทําให้ออก็ไม่ได้ไม่ทําไม่ได้ให้ให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลเพราะผลไม่เกิดจากการอธิษฐานผลเกิดจากจากการเหตุการเจริญเหตุฉนั้นทํายึดถือแล้วต่อไม่ได้จภาวนาทุกคืนแม้แต่นาทีหนึ่งก็ยังดีมันก็จะเป็นติดนิสัยไป ต่อไปมันอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนมันก็จะทำอย่างนี้ได้โอกาสเวลาที่เพราะว่าพักนี้บินบ่อยพอขึ้นเครื่องก็ท่าเฉียขัดก็ดูลงภาวนาไปแล้วก็ได้ได้ได้ดีขึ้นกว่าเมื่ก่อนเนีรับแล้วบางทีก็คิดว่าเครื่องบินอาจจะตกก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยก็ทํามีใจเตรียมไว้รับไว้ก็ จะทำให้ให้มีมีสติแต่ว่าบางทีบางครั้งตอนแรกลูกก็ว่ า, วามันไม่เห็นก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ตอนหลังรู้สึกว่าก้าวหน้าขึ้นตอนที่ว่าเวลาที่ที่อยู่ในชีวิตประจํำวันแล้วเราโกรธหรืออะไรแล้วเราสติมาผ่านหรือว่าบางครั้งที่เคยเรียนถามท่มานอาจารย์เมื่ก่อนว่าเมตนาคเมตตาทํำยังไงตอนตองนี้ที่ที่มีเหตเกิดขึ้นก็ยังรู้สึกว่าเออเมตตาว่า ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าที่ท่านบอกว่าเขาเป็นเหมือนเราทุกขสุขเหมือนเราเนี่ยมันเงี้ยตาแล้วมัก็มาจากสมาธิเทียนด้ครับนั่นผลที่เกิดจากการปฏิบัติจิตมันก็จะมีความเมตตากรุณาเพิ่มมากขึ้นใปเรืยเพราะจิตสงบมันไม่โลภมันไม่อยากได้อะไรจากใครมันก็เลยมันก็เลยวองคนอื่นให้ความสําคัญกับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรามีความโลภมากเราจะเยาความสำคัญของเราเป็นหลัก เราก็จะไม่กังวลในเรื่องของเรือานาไปอันนี้พวกเราก็มีอัิษฐานแต่อัิฐฐานแค่ทานนมาทุกเดือนเนี่ยนน ย, ๆๆยืนยันชัดนอยู่แล้วเกือบสิบปีแล้วเนี่ยมากันทุกเดือนไม่เคยทานเลยทุกทุกคนได้ทำค่ะท่านอาจาแต่รู้ร่าทำยังไม่มากเท่านถึงเกตที่ท่านการสอน ทาฟังเทศมาฟังเทศมาทําบุญเนี่ยทําประจำภาวนาทำบุกคนรทำแต่อาจจะได้ทําน้อยท่านเจนก็ให้มันมากขึ้นแตให้มันเห็นต้องมาอยู่เจ็ดวันให้เห็นจะครั้งไม่ได้น้อยกว่าบุญน้อยว่าอย่งนั้นไปบุญน้อยก็ยังต้องทําให้มันมาก คนบุนมากก็ต้องทําน้อยก็ไม่เป็นไรแต่คนมุญน้อยต้องทํามากยนะิ่งน้อยยิ่งต้องทํามากขึ้นพวกที่มากแล้วก็ทําน้อยก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจไม